50 languages. 22 w e n t a s การสนทนาสามมหัศรกุ๊ตุกูสคุณสูบบุหรี่ไหมคะแก่แอบสิเกเลตปีเต้เดิฉันเคยสูบค่ะ पहले อी त ा था प ฉแต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้ว ल ต่ตอนนี้ न ิฉंนไมाสูบแล้วแต่ตอนไม่สูบแลี้ดิฉับแ้วแต่นนี้ดไมดิฉันมสูบ้ี่บีิฉัน่สูบบแลี้ดิล้ว่ตอนนี้ดิฉันไม่สูไม่ล่บิล มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะมุจเเจกุยตุกข์ทุกข์ไกิคุณจะดื่มอะไรไหมคะเจ้อา क ुุชเปียงเกบรันดีไหมคะกุนยากไม่ค่ะดิฉันชอบเบียร์มากกว่าไเบียร คุณเดินทางบ่อยไหมคะคैंบ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจจी ह ่าจ๊ะดาเตอร์ทิจารीต์กีวจแต่ตอนนี้เรามาพักร้อน लेकिन อ भ บี म य ह ย่าห์ชุดเตียมะนาेรैंร้อนอะไรอย่างนี้ गर्मी ह มี ह ी है ทใช่วันนี้ร้อนจริงๆ ज ช่วันนี้ร้อ र จริงๆใช่วันี้ร้อนจริงๆใช่วันนี้อนจริงๆใช่วันนี้ร้อนจริงๆใ่นนร้งช่วันนี้ร้อจริงนี้จงนีรง่นริง่นีริง่นี่นี่จะมาร่วมงานด้วยไหมคะ आप भी आएंगे क्या? का, पोक राउ डे रब चरन दुई। जी हाँ, हमें भी दावत दी गई है।